ขอถวายความเคารพในพระเดชพระคุณทันยคุณพระศรีธีรวงท่านพระเทรานุเทระและขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัธรรารามทุกท่านอัตมาขออนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายได้มีไมตรีจิตมาถวายพระทานเพงเป็นการส่งอัตมาแต่ว่า คงจะไม่ได้กลับง่ายๆเมื่อคืนนี้หลวงพ่อที่นิวยอร์กพระเดชพระคุณทันยคุณพระราชกิติเวทีประธานสมัชชาสงไทยโทรมาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเมืองไทยทันทีทำไมเทศแต่ที่ชิคาโก้นิวยอร์กก็ต้องการดีมานสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนกลับก็ขอให้่บินไปแวะ ไปเทศฉลองสัายาญาติโยมที่นิวยอร์กในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยแล้วก็บินต่อไปเมืองไทยเลยตอมาก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับพระมันกระทันหันยังไม่รู้จะทำได้หรือไม่ก็แบ่งรับแบ่งสู้ เ, เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดท่านเฟยไปคุณท่านจะคุณพระราเกติเวทีท่านดำเนการเพื่อให้ไปที่นั่น ตอนนี้ท่านก็สังการแล้วตมาก็คงจะต้องไปเทศที่นิวยอร์กแต่ไม่ต้องตามไปฟังหรือข้อเทศ ฟ, ฟังจะฉายซ้ำหมดสต็อกแล้วมาเที่ยว น, นี้ <c oughs> ดูๆก็กลุ่มเดิมมันที่ฟังที่แล้วไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเหน็น <c oughs> ใจกันบ้างนะใจเขาใจเราก็ <c oughs> <c oughs> ที่จริงวันพูดวันนี้ก็จะเป็น ใจนั้นสำคัญชไหนพาร์ทพาร์ทได้พูดไปแล้วก็จะเป็นการพูดต่อว่าเรื่องใจเขาใจเรานั้นก็คือเอาหลักการที่เราพูดวิเคราะห์กันในตอนปีใหม่เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือว่าจะทำอะไรถ้าจะให้ประสบความสาเร็จนั้นต้องคงจะต้องถ่ายใจกันได้มีปาฏิหารอยู่ข้อหนึ่งก็คือ คนที่ทำอะไรสำเร็จเนี่ยมีปาฏิหาริย์อยู่ข้อหนึ่งก็คืออาเทศนาปาฏิหาร์ทายใจได้เป็นอัศจรรย์ถ้าเรารู้เขารู้เรารบร้อยคลั้งชนะร้อยคลาถ้าทำกิจการใดก็ตามสามารถที่จะอ่านใจคนอื่นอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเห็นคนชัดนั่นคนอื่นอ่านเขาให้ออก บอกเขาให้ทำได้ใช้เขาก็ดำเนินงานแล้วก็เข้าใจลักษณะนิสัยเขาชัดเจนอยู่กับเขาได้แต่เท่านั้นยังไม่พอต้องอ่านตนออกก่อนบอกตนได้เตือนตนอ่านตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดเพราะฉะนั้นจะมีสองเรื่องมีสโลแกนของนักพัฒนา เวลาที่จะลงไปพัฒนาใครเนี่ยเขาจะเตือนนักพัฒนาทั้งหลายว่าสมมติเราไปช่วยโฮมเลสเนี่ยนะให้เขาทำงานให้เขามีอะไรต่างๆเนี่ยเอาของไปให้อย่างไม่พอภาษิตจีนเขาบอกว่าถ้าท่านเอาปลาไปให้เขากินเขาจะมีปลาได้ทานเพียงหนึ่งวันหรือหนึ่งมือ้อแต่ถ้าสอนวิธีจับปลาให้เขา เขาจะมีปลากินตลอดชีวิตเพราะฉะนั้ น, นเมืองไทยเนี่ยเขาจึงถือสโลแกนของนักพัฒนาบอกว่าพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองกอ่อนแต่ทีนี้เราก็เวลาเกิดข้อจะต้องพัฒนาไม่รู้จะเริ่มที่ใคร ตรงไหนอย่างไรมันก็เกิดการขัดแย้งในครอบครัวในบ้านในที่ทำงานในวัดบางทีเราก็อ่านคนผิดใช่ไหมแม้กระทั่งลูกของเร า, าเด็กของเรามหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกอันดับหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนอเมริกันชื่อนายบิลเกตส์ตอนเรียนอยู่เกรดหกแม่ เห็นว่าเป็นเด็กไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องหอนึ่งใบเกให้อาบน้ำมันก็ไม่อาบบ้านเขาใหญ่เขาก็ต้องอินเตอร์คอมหากันลูกอยู่ที่ไหนหาไม่เจอถามลูกอยู่ไหนคุยกันทางโทรศัพท์ในบ้านก็อยู่นี่แหละแม่ก็ถามทำอะไรอยู่กำลังคิดอทำอะไรกำลังคิด แม่คิดไม่เป็นมั้งเหรอเด็กเกรดหกบอกกำลังคิดแม่บอกว่ า, าต้องใส่ลูกเราจะไม่ได้เรื่องทรงไปหาจิตแพทย์ให้ช่วยปรับพฤติกรรมจิตแพทย์ใช้เวลาอยู่หนึ่งปีปรับพฤติกรรมในบิวเกตสเด็กชายคนนี้หลังจากหนึ่งปีแล้วจิตแพทย์บอกกับแม่บอกว่ากิฟอัพเธอยอมแพ้เขาเถอะ ปล่อยเข้าไปแม่ก็นึกว่็เด็กคนนี้ไม่ได้เรื่องและดูจะไม่เคยได้เรื่องเมื่อเรียนจบมัธยมปลายเรียนมหาวิทยาลัยฮาวาดลาออกเป็น drop out ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มีชื่อเสียงสุดในโลกเรียนไม่จบตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ทำซอฟต์แวร์เรื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในวัด เขามีรายได้ปีที่แล้วเป็นกําไรหนึ่งเก้าเก้าหกเป็นกําไรสิบเอ็ดบิลเลียนคิดว่าเป็นกําไรที่เขามีรายได้ต่อวันเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยนะเป็นเงินสามสิบมิลเลียนดอลลาร์สามสิบล้านดอลลาร์ต่อวันนะเราได้วันละเท่าไหร่ครับนั่นเลยมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบันสามสิบล้านดอลลาร์ เด็กที่ไม่เอาไหนที่แม่เขาใจว่าไม่ได้เรื่องเขาถือว่าปัจจุบันนี้บิลเกสอายุ41นะตอนนี้41ปีคือเอดิสันกลับชาติมาเกิดหรือไม่ก็ฟอร์ดเขาไม่ได้กลับชาติมาเกิดก็คือเอดิสันหรือฟอร์ดสมัยใหม่ไม่ใช่เทคนิชเชียนอย่างเดียวแต่เป็นนักธุรกิจด้วยผสมกัน ซึ่งฟอร์ดคิดเรื่องรถยนต์แล้วเาก็ผลิตขึ้นวิลเกตส์ก็ทำแบบเดียวกันแต่แม่เข้าใจว่าไม่ได้เรื่องอ่านคนออกคนอื่นเป็นอย่างไรและตัวเองเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือบางทีปัจจุบันนี้มีสาขาจิตวิทยาหนึ่งที่พยายามศึกษาจิตใจของคนทางศาสนาเขาเรียกว่า เป็นปาฏิหาริย์อันหนึ่งก็คือเจโตปริยญาณรู้ใจคนพระพุทธเจ้าจะเทศน์นี่จะรู้ใจคนคนนี้จะเทศน์ยังไงยังไงเจโตปริยญาณ น, นักเกี่ยวยาสมัยใหม่เขามีสาขาหนึ่งเขาเรียกว่าพาราเซคโลจีอาจจะได้ยินจากทางโซเวียตบ่อยพวกนี้ใช้กระแสจิตเนี่ยมีหลายประเภทนะ บังคับวัสดุให้มันเคลื่อนที่กันด้ยทางโซเวียตเขาใช้พวกพาราเซคโลจีอีกสาขาหนึ่งของพาราเซอโลจีก็คือเราใจคนท่านคงเห็นนักเล่นกลนะให้นักเล่นนักเล่นกลเขาอยู่บนเวทีเนะี่ยเอาไพ่ให้ท่านให้ท่านเลือกไพ่ขึ้นมาแล้วนึกในใจว่าไพ่ที่ท่านต้องการเลือกในใจเนี่ยคืออะไรแล้วคนที่เล่นกลเนี่ยเขาก็จะบอกทายท่าน เขาบอกว่ากำลังเป็นาศาสตร์เป็นวิทย า, าศาสตร์โดยเฉพาะในสาขานี้เดาใจเป็นพาราเซโคลอจีอันหนึ่งแล้วก็มีนักพาราเซโคลจิส์มากขึ้นในอเมริกาแตมาเห็นคนนั้นก็อ้างตัวเป็นพาราเซโคลจิส์เดาใจคนเป็นอัศจรรย์แต่ในชื่อจริงๆนั้นก็คงเพียงแต่ว่าเป็นคำว่ารู้ใจคนที่รู้อย่างไรบางทีก็เดาถูกบ้างเดาผิดบ้างอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ แม่ยังไม่รู้ว่าบิลเกตเป็นคนยังไงในสมัยโบราณเนี่ยมีดาบทฤษีนะ่ะสองท่านเดินทางไปพักอยู่ที่กระท่อมของช่างหมอ้อาดาบ ท, ท่านแรกชื่อเทวระดาบทเข้าไปนั่งอยู่ข้างในเตรียมจะนอนเดินทางมาไกลดาบ ท, ที่สองก็มาถึงถามช่างหมอ้อบอกว่าว่างไหมลงช่างหม้อเนี่ยบอกว่า ว่างแต่ว่ามีนาวดบ ท, ท่านก่อนอยู่ถ้าเขานุญาตท่านพักได้นารทะเป็นท่านที่สองก็เข้าไปไปขออนุญาตท่านเทวละดาบดบทกขอพักด้วยแล้วก็คุยกันสนทนากันสนทนาธรรมกันก่อนนอนนารทะาดาวดบท่านอาวุโสน้อยแต่เป็นคนมีสติปัญญาท่านก็สังเกตเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ก็สังเกตว่าท่านเทวละผู้อาวุโสเนี่ยนั่งตรงไหน แล้วกำหนดว่าประตูทางออกนี่เกิดจะออกไปกลางคืนไปทาธุระเนี่ยจะออกทางไหนก็สังเกตดูก็แล้วก็นอนส่วนเทวระดาบที่อวุโสเนี่ยเวลานอนไม่นอนที่ที่ตัวเองนั่งไปนอนขวางประตูนอนขวางนาราทะท่านก็นึกว่านอนอยู่ตรงโน้นใช่ไหก็ย่องกลางคืนช่วยทาธุระย่อ ง, ย, องย่องไปเยียบชะดาเขา ดาลหรือสีเนี่นะที่เขาลบสูงเยียบเข้าไปถูกผมด้วยร้องจ้ากเลยในนี่ใครมาเยียบฉันโอ้โหอาจารย์ผมนึกว่าอาจารย์จะนอนตรงนู้นมันไม่ไม่นอนที่ตัวเองนั่งแล้วเขาโทษเขาโทษเขาโทษก็เลยออกไปส่วนพอเทวรละดาบทก็ง่วงไงไหมบอกหมอนี่มันสุ่มสามจริงเดียวมันกลับมามันเยียบหัวเราอีกก็เลยกลับเอาหัวไปทันเท้าที่ตัวเองอยู่เมื่อกี้เนี่ย นาระถ้ากลับมาบมเมื่ อ, อกี <lawsuit> ้เราพลาดไปทีเขาเกือบไปเหยียบหัวต้องเข้าตั้งเท้าสิย่องย่องมากลุ่มหกคอฮโอ้โหโกรยกันตีกันลั่นเลยลือสีลงเป็นเรื่องเป็นราวดาวใจกันผิดบางทีด้วยความหวังดีอย่างนี้เป็นต้นที่พูดนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ทีนี้ถ้าเราจะรู้ใจคน เป็นไปได้แค่ไหนเพียงไรนั้นคงไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านเดาใจคนได้เพราะอะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่อาศัยเจตวปริยานแต่มีคำกล่าวอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะรู้คนอืน่นเราต้องรู้จักตัวเองหลวงพ่อชาท่านสอนพระฝรังถ้าเราจะอยากหยิบใบมะม่วงขึ้น ม, นหมาหนึ่งใบใบมะม่วงมาหนึ่งใบ ดูใบมะม่วงนั้นให้ดีละเอียดใบเดียวเราจะรู้ใบมะม่วงทั้งต้นและก็เท่ากับรู้ใบมะม่วงทั้งป่าศึกษาตนเองให้ดีให้เข้าใจอย่างที่พระเจ้าท่านศึกษารู้ใจตนเองธรรมชาติของตนเองเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของคนอื่นอกเขาอกเราใจเขาใจเราถ้าสรุปสั้นๆว่า แล้วลักษณะของเรานี่เป็นอย่างไรทําไมเนี่ยความคิดขอเราถึงมันต่างกันวันวันหนึ่งนเนี่ยนะมันจะเกิดความขัดแย้งในในชุดเราเขาบอกว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ในผวังแล้วมันออกมาทํางานเนี่ยออกมารับรู้โลกภายนอกทางตาเขาเรียกจักรวิญญาณผวังข้าวิญญาณเนี่ยออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางเลี้ยทางกายทางใจ ออกมาทางไหนเนี่ยก็จะไปยุ่งกับเรื่องทางนั้นและจิตที่ออกมาหกทางเนี่ยมันก็ไปคนละทางท่านเปรียบว่าอย่างนี้ตาของเราซึ่งจิตออกมารับรู้เนี่ยตาเหมือนกับงูหูเหมือนจอระเข้ถ้าหลงวงดาวสมัมตาเหมือนงูหู เหมือนอะไรจระเข้จมูกเหมือนนกลิ้นเหมือนสุนัขบ้านกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกใจเหมือนลิงหกตัวมา อ, อยู่ในตัวเราเนี่ยสัตว์หกประเภทตัวแรกอะไรนะงูนะ งูมันเลื้อยไปนู่นไปนี่งูตัวที่สองจระเข้ตัวที่สามนกบินตัวที่สี่สุนัขบ้านตัวที่ห้ามีลิงแล้วก็จิงจอกหกลิงเจด็ดคน เอาหกก็พอจับจับมารวมมืนในตัวเราเนี่ยงูมันก็จะไปเข้าจอมปลวกมันชินไปทางหนึ่งท่านเปรียบตาเหมือนงูเพราะว่ามันซอกแซกไปนู่นไป น, นี่เขาให้ดูก็อยากจะดูลงเข้าจอมปลวก หูเหมือนจอระเข้จระเข้ชอบลงไปกบดานในถ้ำที่เย็นๆชอบเสียงเย็นๆเรื่องเย็นๆเสียงไพ่เราะจมูกเหมือนกับนกที่ชอบอากาศเราได้กลิ่นเพราะอากาศท่านก็เรี๋ยวมันนกลิ้นเหมือนสุนัขบ้านสุนัขบ้านมันไปไหนเนี่ยออกนอกบ้านมันโดนกัดเพราะฉะนั้นมันจะกลับที่เดิมถิ่นเดิมที่มันคุ้นมันชินลิ้นชอบชินกับอาหารเดิมๆลิ้นเดิมๆ กายสุนัข ก, กิ้งจอกไปป่าชามันมีไฟอุ่นๆให้นอนชอบที่อุ่นๆที่นอนที่สบายใจเหมือนกับลิงที่วนยอดไม้ไม่เคยอยู่นิ่งเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมอยู่ในตัวเราผูกรวมเข้าด้วยกันตัวไหนมันก็จะดึงใช่ไหมพอ ป, ปล่อยมันถ้าไม่คุมมันเนี่ยมันจะไปจอมปลวกไปนู่นไปนี่ เพราะฉะนั้นในวันวันหนึ่งเนี่ยมันจะดึงกันไปคนละทิศคนละทางเราก็หัวหมุนบางท่านหูก็อยากจะฟังเทศตาก็อยากจะดูอเมริกันฟุตบอลใจเนี่วุ่นเลยจะไปทางไหนดีเดี๋ยวไม่เทศมายาวเดี๋ยว เ, ยเด๋ยวก็จบฮะไปะตุรกอีกโอ้โอโคนละคนละอย่างสองอย่าง นี่ตัวเราเป็นยังไงคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนจึงอย่ว่าคิดอย่าวว่าเดี๋าว่าแต่คนแต่และคนคิดต่างกันเลยแม้แต่คนคนเดียวแต่ละขณะยังคิดไม่ตรงกันขึ้นขึ้นลงฮงคุ้มดีคุ้มร้ายไอ้ที่ว่าเราชอบเนี่ยนะอยากให้เป็นอย่างนี้เจเนอเรชันหนึ่งรุ่นเราเป็นอย่างนี้แต่พอเด็กๆ เ, เขาอาจจะชอบอีกอย่างหนึ่งถ้ า, าสมัยท่านทั้งหลายนี่คงอ่านคงได้อ่าน เรื่องผู้ชนะสิบทิศบุเรงนองอาภาษาอังกฤษเขาเรียกบายินนองบุเรงนองนะบุเรงนองนี่ที่เราได้อ่านกันจะเด็ดตะละแม่จันทราตะละแม่กุสุมาเนี่ยที่ยาขอบเขียนน่นแปดเล่มใหญ่ ต้นฉบับจริงๆในปรัติศาสตรยาขอบบอกว่ามีอยู่แค่แปดบรรทัดแปดบรรทัดยาขอบแต่งออกมาเป็นชีวิตชีวาผู้ชนะสิบทิศและตอนที่แต่งในยาขอบเล่าบอกว่าหู้คนชอบมากชอบหลายท่านก็คงจะจำนายชอบมากจะเด็ดทีนี้แผนในใจของบุเรงเนาของยาขอบที่แต่งนี่นะ แต่งจะให้จะเด็ดเนี่ยมีภรรยาสองคนพลัดเรื่องเนี่ยคนหนึ่งคือตาลแม่จันทราตองอูนึกออกไหมคนโบราณจะนึกออกเรื่องนานแล้วเด็กรุ่นหลังไม่เคยออกเลยนะเรารุ่นหลังนึกไม่เคยออกตาลแม่จันทราเอตองอู เพลงก็มีใช่ไหมเพลงก็อสอนพินยาอะไรต่างๆเนี่ยเพลงสมัยก่อนแต่แล้วก็เนี่ยจะให้เจเดดแต่งงานกับจันธาซึ่งชอบกันแต่ว่าเจเดดนี่แปลแปลปลอมปลอมตนไปเมืองแปลเป็นมังชงายไปสอนพินวิธีเล่นดนตรีไทยนะนะดนตรีไทยให้กับตะละแม่กูสุมาเกิดชอบพอกัน ซอฟินยามาจากไหนมันมาแย่งเราไปจเจรดญ ก, ก็ไปเอาคื่นและในที่สุดก็วางพลัดเรื่องเนี่ยยาขอคนแต่งเนี่ยนะเพราะมันแปดบรรทัดเขาจะแต่งไงก็ได้ให้จะเด็ดเข้าพิธีแต่งงานวิวาเนี่ยสองเจ้าสาวเลยทั้งจันทราและกุสุมารเรื่องมันก็พิมพ์ออกเป็นระยะระยะออกมาหนังสือก็ออกมาเรื่อยแต่งทีก็ขายทีที ท, ทีมันก็เป็นตอนๆไปตอนนั้นปรากฏว่ากําลังจะแต่งเรื่องแต่งงานพอดี มีผู้หญิงคนหนึ่งสุภาพสตรีอายุมากแล้วเจ็ดสิบหรือแปดสิบะแต่งชุดแบบคนไทยสมัยโบราณนะนุ่งใส่ถุงน่องขึ้นมาถือไม่เท้ามาใส่หมวกแนะนำตัวเองเป็นพระเจ้ารา ช, ชวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉิดฉมพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปที่สำนัก ง, งานยาขอบ บอกไม่ชอบเลยที่คุณเนี่ยจะเขียนให้จะเด็ดมีภรรยาสองคนอะไรไม่อะไรนะจันทาดีดีน่าสงสารให้กุซุมามาแยกได้ยังไง ต, ต่อว่าต่อว่าแสดงว่าอินเข้าถึงมากเลยนะยทำ น, นี้ได้ยังไงแล้วเนี่ย คูสมาก็ไม่ใช่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องโดนเจ้าสอพิญญาแย่งจริงไปแล้วแล้วจะมาเป็นเสนอหน้าเป็นเอกคู่กันอย่างนี้ไม่ได้อ้อยาขอก็อธิบายวันนี้มันแหมมันเป็นนิยายแต่งแล้วเตรียมเรื่องแล้วแล้วไม่ได้อ้างเหตุผลยังไงก็ไม่ฟังสุดท้ายพระองค์เจ้าเฉลชมบอกว่าอย่างน้อยก็เห็นแก่คนแก่นะนะ <c oughs> <c oughs> เป็น senior citizen <c oughs> ม, นมัจะอ้างอะไร เห็นกับคนแก่ให้คนแก่ได้ตายตาหลับเพราะประโยคนี้เองจะเดตจึงไม่ได้แต่งกับกุสุมาโอ้ผิดนี่คือความลับคนอื่นนี่อาจจะถูกใจโอ้แต่งอดีเนี่ยเชียร์กันแต่ไม่ต้องการโรงเช่าเฉิดชงเรื่องจริงเรื่องเรื่องจริงเรื่องจริงฟ้าไม่มาโม่เนะ่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าถูกใจไม่ถูกใจอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เหน่าอยางแต่ละคนบางทีเราไปไม่สามารถจะดึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มาอยู่ในทางเดียวกันมันก็ออกจะทำอะไรไปตามความรู้สึกนี่พูดถึงคนอื่นยังต่างกันในคนคนาเดียวมันยิ่งสับสนวุ่นวายวันหนึ่งๆวันดีคืนดี พระท่านก็จุดตะเกียงกลางวันเพราะเหตุที่ว่ า, ามีมีปัญหาราชาการแผ่นดินในสมัยาราชาการที่สี่ต่อราชาการที่ห้าสิ้นราชาการที่สี่ผู้ที่ได้เป็นรัชทายาทแล้วขึ้นครองราชก็คือราชาการที่ห้า แต่ตอนนั้นพระชนมายุ 15, สิบห้าพันษายังไม่บรรลุนิติภาวะยังว่าราชาการแผ่นดินไม่ได้ต้องมีผู้สาเร็จราชาการแผ่นดินผู้สาเร็จราชาการแผ่นดินนี้เป็นคนที่เรียกว่าเพาเวอร์คุมทุกอย่างไลยมีราชศีนานามว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์สมเด็จเจ้าพระยาองค์นี้คุมทั้งหมดในประเทศไทยตอนนั้น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุธีวงศ์เนี่ยชื่อช่วงบุญนาคเป็นลูกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปยุรวง์ผู้สร้างวัดประยูนยวัดขอนตมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ใกล้ชิดเล่าเรื่องจริงเนีมันใกล้วัดเออใกล้วัดมันเอเดี๋ยวคนคานพอสมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุธยวงศ์เนี่ย ชื่อนี้เนี่ยรัชทินามนี้เนี่ยเคยเป็นราัชทาินานามเป็นบรรดาศักดิ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสำเร็จราชาการและก็โค่นแผ่นดินก่อนปฏิวัติขึ้นเป็นไม่เจ้าเป็นพระเจ้า ป, ประสาททองคนก็ลือกันเถอคงจะปฏิวัติอีกยึดล้มแผ่นดินรชัชกาลที่ห้าสมเด็จตระกูลบุญนาคคงจะขึ้นคลองรานรู้กันใหญ่ สมเด็จพุทธาจารย์โตวัดละขังบอกอีไว้ใจไม่ได้ความคิดอาจจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยก็จุดเทียนเล่มใหญ่เลยกลางวันแสกนี่นี่ใบลานคำพีเทศถือตลปัดไปที่บ้านของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์กลางวันแสก แล้วก็ไปถือเทียนเดินวนรอบบ้านเขาไม่ได้นิมนต์นะมาเดินพระผู้ใหญ่มาเดินท่อมท่อมท่อมท่อมอะไรผนก็ไปรายงานกราบเรียนท่านสมเด็จเจ้าขยาสมเด็จพยาก็มานิมนต์สมเด็จพุ้ชาจารย์โตขึ้นมานไม่ได้พูดอะไรกันสมเด็จก็นั่งมองเทีย น, จนเจดิญเจ้าพยาสมเด็จก็ถือเทียนและ สมเด็จเจ้าพญาบรมหาศรีสิรวงก็กราบลงสมเด็จโตแล้วก็กราบเรียนว่าเจ้าคุณไม่ต้องห่วงกระผมเป็นพุทธศาสนิกชนมีความกตัญญูทำงานสนองพระเดชพระคุณของในพระเจ้าอยู่หัวอย่าเป็นกังวลนิมนต์กลับวัดจุดเทียนเล่มเดียวนั่นทำให้แผ่นดินนี่เขาเรียกว่า สงบเลิกข่าวลือเดาใจกันถูกทั้งคู่ปริศนา ร, รมทำแบบนี้เขาเรียกว่าปริศนาทมแบบเซนถ้าเป็นผู้สานในกายเซนเขาเรียกว่าโกอานทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งให้คนคิดเขาเรียกโกอานเป็นปริศนา ถ้าเราจะรู้ใจคนอื่นเหมือนกับที่สมเด็จจะพญาบรมหาปยุติสุริวงศ์ศศรู้ก็คือตีปริศนาอันนั้นให้แตกถามว่าเซนมีเคล็ดลับอะไรทำไมจึงรู้ใจตีปริศนาแตกปกติเวลาที่เรา คิดเนี่ยเราจะมีระบบความคิดต่างๆตั้งนานประการที่หนึ่งก็คือว่าเรามักจะตัดสินคนอื่นก่อนมีกรอบความคิดว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นตามความคิดของเราตาก็ไปทางหูเข้าไปทางได้ยินอะไรมาก็มาคิดคิดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆามๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ รู้เห็นตามความเป็นจริงเราทุกคนถูกตาไปทางหูไปทางมาไปคนทางเพราะฉะนั้นมันไม่ได้โฟกัสรวมไปที่เรื่องที่เราต้องการจะรู้เมื่อไปคนทางอย่างนั้นมันก็ไม่รู้คนอื่นตามที่เป็นจริงไม่รู้เรื่อง ต, าตา่ตางๆที่เป็นจริงเซน ต, ต้องการที่จะให้เรารวมสิ่งต่างๆไปในทิศทางเดียวกันหรือให้สิ่งต่างหยุดทางานให้ใจทางานอย่างเดียว และใจนั้นต้องไม่เหมือนลิงพอคนคิดอะไรไม่เหมือนเราเนี่ยท่านสังเกตเราก็จะไปเกณฑ์ให้ผู้อื่นนี่เป็นเหมือนเรา ถ, าถ้าที่คนนั้นคิดต่างกันมีพุทธพจน์ว่าปัจเจกจิตตาปูถุสัพพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต่างคนก็ต่างใจและในคนคนเดียวกันก็มีสัตว์หกประเภทอยู่ไปคนละทางสองทางเราจะเกณฑ์ให้คนทุกคน คิดเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดนั้นเป็นไปไม่ได้นานาทิทิเกนาณยิสติเตคนมีความคิดเห็นต่างกันท่านจะทําให้คนทั้งหมดคิดไปในแนวทางเดียวกันไม่ได้เรื่องนี้ประโยคนี้เองเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายต้องสมาทานศีลสังเกตไหมว่าพระจะไม่ให้ศีลท่าน ปาณติปาตาเวนอมณีท่านจะต้องโดยที่ไม่ต้องมีการสมาทานท่านต้องขอก่อนสมาทานคือขอวอยังพันเตติสรเนตถาปัญจศีลานิยาจามิหรือยาจามะยาจามิยาจามะแปลว่าขอข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอศีลห้าทำไมอยู่ๆพระเรียกมาเอามารับศีลเลยได้ไหมไม่ได้ค่วงนะ ไม่เคยมีให้หมดแล้วเพราะอะไรสมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระขยันให้ศีลใครเดินผ่านวัดเรียกมาแล้วอ้าวรับศีลรับศีลให้ศีลหมดเลยพระสารีบุตรขยันมากขยันสอนคนกําลังถือตาข่ายจะไปจับนกเรียกเดี๋ยวเดยรับศีลก่อนรับศีลก่อนอคนมันก็เกรงใจซอนตาข่ายไว้ก่อน แอร์ไว้ตรงประตูวัดเนี่ยเมื่อรับสินรับสินเสร็จเอาตะขายไปไล่จับนกคนจะไปตกตลาเดินฐานภาษาลีบุตรเรียกมารับสินแล้วเสร็จแล้วมันก็เกรงใจมารับสินเสร็จไปตกปลาเดินย่องย่องยอ ง, ยงมีไหมฮะแถวนี้ <c oughs> มาว่าเสร็จไปไหนต่อเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคนก็มานินทากันเลยดูสิลูกศิษย์ภาษาลีบุตรแต่ละคน รับสีนอาจารย์เสร็จหยอกๆนั่นไปตกปลาไปจับนกตกปลาไม่เรื่องและก็มาฟ้องภาษารีบุตรเองทําไมท่านให้ศินโม่หมดภาษารีบุตรก็บอกว่าเ อ, อ๋อจะให้คนเป็นคนดีแต่เขาพร้อมหรือยังขอหรือยังเรื่องนี้ก็ไปถึงพระพุท ธ, ธเจ้าพระเจ้าก็เรียกประชุมเรียกประชุมก็ถามว่าภาษาลีบุตร ทำไมทำอย่างนั้นบอกยากให้ทุกคนเป็นคนดีความต้องใจเนี่ยดีแต่บางทีต้องมีกุศโลบายให้เขาขอก่อนได้ไหมใครเต็มใจพร้อมที่จะรับศีลให้อาราธนาขอและก็เล่าเรื่องนิทานชาดกอดีตชาติบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมี อ, อาจารย์ที่สาปโมกสอนเหมือนอย่างเธอเนี่ย อยากให้สุกสิทธ์ทุกคนเป็นคนดีหมดจำจี้จำช้ยเอาจริงเอาจังทุกเรื่องซีเรียสมากแล้วก็ใครอยากจะมารับสินให้สีลหมดแต่คนอยากรับหรือไม่นะรับก็ตามรับรับสีหมดแล้วก็ลเขาก็ไปทำเขาไม่ดีลูกศิษย์มาเตือนก็ไม่เชื่อว่าอาจารย์จะทำเพราะฉะนั้นลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยก็ถือโอกาส วันหนึ่งอาจารย์ที่สาปาโมกคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ตักกศิลาส่งส่งลูกศิษย์คนนี้ชื่อตั ก, การิยะบอกต ก, การิยะไปเขานิมนต์นะมีคนนิมนต์ให้ไปรับนิมนต์ไปไปกับลูกคนอื่นๆเนี่ยไปงานเลี้ยงแทนหน่อยก็ไปต ก, การิยะไปพอขากลับมากับลูกศิษย์เพื่อนๆเยอะแยะหมดตักการิยะก็เอาก้อนอิดก้อนใหญ่ๆเนี่ยแบกไปทิ้งลงไปในเหว ทิ้งลงไปทิ้งลงไปทิ้งลงไปใหญ่คนอื่นก็ถามว่าท่านตักการิยะกำลังทำอะไรตาการิยะบอกความลับกลับมาที่สำนักท่านอาจารย์ไม่พูดไม่จากเพราะถมลงไปมากๆกลับเชยลูกศิ์ก็มาฟ้องอาจารย์อาจารย์ก็เรียกมาถามเป็นส่วนตัวทำอะไร บอกผมกําลังถมเหวให้มันเต็มเต็มได้ยงไงคนเดียว<ะ>สักวันมังนคงนจะเต็มแต่ไม่มีทางอาจารย์เองจะตายซะก่อนถมให้เหวมันเต็มราเป็นแผ่นดินเนี่ยตายแน่รู้สึกก็กผมก็เอาอย่างอาจารย์นั่นแหละเอาอย่างไงก็อาจารย์นียังพยายามสอนทุกคนให้เหมือนกันเป็นแบบเดียวกันหมดผมบอกผมอยางจะทำง่ายกว่าอาจารย์น่ะ เกณให้ทุกคนเหมือนกันหมดในเวลาเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาจึงมีบัญญัติบอกว่าใครจะมารับศีลพระจะให้ทันทีไม่ได้ต้องอาราธนาก่อนตัวเองต้องเต็มใจที่จะรับที่จะปฏิบัติคนแต่ละคนมีความคิดเห็นต่างกันอย่างที่ว่ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะให้ ทุกคนเป็นระเบียบเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องบอกว่าบางคนก็ขยันมากใครทําอะไรไม่ถูกคอยว่าไม่มีวิพัชนวิทยคือยอมรับความแตกต่างอยู่ร่วมกันไม่ได้เกณฑ์ให้คขาเหมือนกันหมดแล้วก็ยุ่งเอาเขามาใส่กรอบเราเราตั้งระเบียบตั้งอะไรไว้คนต้องทําตามนี้ใครที่ขยนันคอยจุกจิ ก, กนู่นนี่อะไรต่างเนี่ย บอกว่าเหมือนกับเขาเรียกบอกเหมือนกับเปรตเจ้าระเบียบเปรตเจ้าระเบียบมันสิงอยู่ที่ศาลาพักเดินทางของคนคนเดินทางมาก็มานอนมนอนเปรตมันขยันนี่มันเจ้าระเบียบเอาเชือกม้วดหัวกันนอนหัวไม่เสมอกันคนไหนนอนต่ำไปก็ช่วยดึงหัว มาเลียงให้เท่ากันเล็งด้วยความพอใจออตรงแล้วตรงนี้วพอไปดูทางเท้า อ, อ้าวไม่เท่ากันนี่แล้วดึงกลับมาให้มันเท่ากันวัดเนี่ยพอใจในผลงานพอกลับไปทางหัว อ, อ้าวไม่เท่ากันอีกแล้วดึงกลับไปกลับมาเฟรดเจ้าระเบียบเกณฑ์ให้ทุกคนเหมือนอย่างเราถูกใจคน ตัวเองไปทั้งหมดนั้นไม่ได้ต้องยอมรับความแตกต่างว่าอยู่ร่วมกันจะมีใครถูกใจที่ไหนเราตัวของเรายังไม่ถูกใจหนาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจเมื่อกี้ตั้งคำถามอะแล้วทำไงเราถึงจะเข้าใจคนและยอมรับเขาตามที่เขาเป็น คนแต่ละคนนั้นคิดเห็นต่างกันเรื่องหนึ่งคนหนึ่งว่าดีอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องเดียวกันคนอื่นว่าไม่ดีจะยอมรับความคิดเห็นที่ต่างกันได้อย่างไรท่านจึงบอกว่ายเยเนยวะเอกอลและพระเตปสังสังเตเนวะอันโยและพระเตนินทิตารังเรื่องเดียวกันนั้นคนหนึ่งทําแล้วได้รับการสรรเสริญแต่พออีกคนหนึ่งทํากับถูก ว่าถูกนินทาเาจมาพูดถึงนโปเลียนมหาราชว่าเก่งใช้สมาธิยังไงยังไงเคยพูดคนฝรั่งเศสชมนโปเลียนเก่งแต่คนอังกฤษด่านโปเลียนเพราะเป็นลุกหลานเขาประเทศยุโรปอื่นๆจะชั่วจะดียังไงก็ตามคนก็ยกย่องนโปเลียนในปัจจุบันนี้ จนถึงวันนี้เนี่ยนภาพยนตร์ที่ฉายอยู่เนี่ยนเอาเรื่องของบุคคลในอดีตในประวัติศาสตร์มาแสดงเป็นภาพยนตร์เนี่ยเช่นคนนั่นคนนี้ในอดีตท่านทราบไหมว่าบุคคลในประวัติศาสตร์คนไหนอย่างเช่นมหาธมาคันธีเนี่ยที่มาทำเป็นภาพยนตร์บุคคล ป, ประวัติศาสตร์คนไหนที่ถูกนํามาแสดงเป็นภาพยนตร์มากที่สุดในโลก นโปเลียนมหาราชมีภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องนโปเลียนเนี่ยทั้งหมดร้อยเก้าสิบสี่เรื่องอันดับสองใครพระเยซูพระเยซูอันดับสองร้อยห้าสิสบสองเรื่องอันดับสามอับราฮัมลินคอนเท่าไหร่ร้อยสามสิบเจ็ดเรื่อง ชมบ้างด่าวบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วแต่คนจะว่าคนคนเดียวกันมองในมุมหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ว่าใจเขาใจเรามองเขาเห็นเขารู้สึกอย่างไรหนึ่งมองให้เห็นความแตกตา่างยูพัชว่าอย่างที่ว่ามาเรื่องเดียวกันมองได้หลายมุมอันที่สองเอาใจเขามาใส่ใจเราพุทศาสนาเรียกว่าอนุมาน มีสูตรสูตรหนึ่งเรียกว่าอนุมานาสูตรชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถจะมีเจโตปริยานรูต้ตรงๆแต่ให้อนุมานตัวเองคิดอย่างไรคนอื่นก็อาจจะคิดอย่างนั้นตัวเองรู้สึกอย่างไรเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองคือคาดคะเนคิดคาดการเรียกว่าอนุมานถ้าท่านเป็นเขาท่านจะรู้สึกอย่างไรสมงว่าไปเจอระบบที่ไม่ยุติธรร ม, มเมื่อกี้ที่มาบอกว่าเรื่องเดียวกันเนี่ย สโนลงเนี่ยกวาดสโนหนาวหน้าหนาวทุกแต่ถ้าสโนลงอย่างนี้ใครชอบลงมาใหม่นี่เด็กชอบชอบกี่วัน <c oughs> คนที่ชอบมากๆนะพวกเอสกิโมใช่สเลจใช่ไหมน้ำแข็งนี่มันจะแข็งเดินทางสะดวกมีเลื่อนมีอะไรต่างๆ แต่มาไปพระที่สวีเดนทั้งหมกสามารถจะขับสกูตเตอร์ขับโมอโเตอร์ไซค์เนี่ยบนทะเลได้แข็งคนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบคนคิดต่างกันชอบต่างกันทาไมเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยมีพระรูปหนึ่ง ตื่นเช้าขึ้นมาไปทำวัดค่อยเก็บท่าเก็บไม่ให้คนเหยียบภาพรูปที่สองมาเห็นคือท่านตื่นตีสี่ต้องเดินไปค่อยเก็บท่ารูปที่สองก็บอกเก็บทำไมถ้าพวกนี้มันทำลายพืชสัตว์พืชพันธุ์มันหนีมาจากมู่หนราชการเขาพยายามให้ให้ฆ่าทิ้ง ท่านไปทาเก็บทำไมพระรูปที่เก็บก็บอกว่าทำบุญมันมีชีวิตเพราะฉะนั้นช่วยสัตว์เล็กๆน้อยก็ได้บุญทำบุญทีเล็กๆน้อยมันก็เต็มเหมือนกับตุ่มน้ำหยดมาทีเล็นิดน้าก็เต็มตุม่มเที่ยงกันรูปที่สามมาถึงบอกโอ้ยคุณอย่าไปเถียงกับองค์ที่เก็บทากนะเพราะใครจะรู้บ้างว่าทากเหล่านี้นี่มันอาจจะเป็นทากโคติสัตนะ มีบุญญาธิการช่วยมันเถอะสารรูปชิดเขา อ, อะไรอย่างไปหาท่านอาจารย์ไปหาสมภานสมภานบอก ท, ทุตเทียงอะไรกันมาองแร ก, ก็บอกผมเก็บทากเนี่ยช่วยชีสสัตว์เนี่ยไม่ให้มันถูกเหยียบถูกฆ่าดีออกอาจารย์ได้บุญด้วยอาจารย์บอกเออถูกแลนะคุณทําถูกคนที่สองก็บอกไม่ถูกอาจารย์ทากมันทําลายพืชพันธุ์ธัญญาหาร เราปราบกันนอกวัดเนี่ยเหลือแต่ที่หลบภัยอยู่ในวัดเนี่ยมันก็เพาะพันธุ์ได้ไม่กลับไปทําลายพืชพันธุ์อีกทําไม่ถูกนะอาจารย์หลวงพ่อบอกคุณก็พูดถูกเหมือนกันนะคนที่สามก็สนับสนุนหลวงแม่บอกว่าถ้าเหล่านี้เนี่ยมันมีพุทธภาวะอยู่นะได้แสงธรรมะเล็กน้อยอาจจะบรรลุ ก, ก็ได้เพราะฉะนั้นช่วยมันเถอะดีหลวงพ่อบอกอคุณก็พูดถูกนะเนนที่นั่งพัดอยู่บอกหลวงพ่อ แต่ละคนไปคนละทางสองทางมันจะถูกทุกคนได้ยังไงหลวงพ่อมันต้องถูกบ้างผิดบ้างสิหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเนนก็พูดถูกเหมือนกันนะทำไมถูกหมดไม่มีความคิดเลยเหรอถูกคืออะไรถูกคือถูกใจหรือถูกต้องบางคนบอกถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องถูกใจถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจแต่บางคนบอกไม่ได้ถูกใจจึงจะถูกต้องท่านเป็นคนประเภทไหนถ้าถูกใจถึงจะถูกต้องเรียกว่าอัตตาทิบตาตยถูกใจฉันเคยเห็นใต้เข้าเขียนไหมในคุณทั้งงานบอสเขียเขียนไหมให้ลูกน้องอ่านทุกวัน มี rules มีกฎอยู่สองข้อ rules ข้อที่หนึ่ง boss can do no wrong ไม่เคยทำอะไรผิดเลยหัวหน้ากฎข้อที่สองถ้าบังเอิญเห็นว่าคิดว่าถ้าบังเอิญคิดว่า boss ทำอะไรผิดให้ดูกฎข้อที่หนึ่งมีสองข้ออัตตาที่ประไต ตัวเองเป็นใหญ่ถูกใจถูกต้องคือถูกใจครับเจ้าอยู่ใครได้ไหมกดข้อที่สองถ้าเป็นธรรมมาธปไตยเอาหลักการเป็นใหญ่ถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดวัดไร่ขิงนะถ้าใครไปกราบท่านตอนนี้ท่านได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเป็นพระอุบาลีคุณูปมาจาร์เป็นรองสมเด็จนะ หลวงพ่อพระอุบาลีนี่คือเจ้ า, าวัดวัดเล็กงนีนี่ถ้าท่านพัฒนาวัดท่านถือพรษสิทู่อย่างใครจะด่าจะว่าผมบางไม่เป็นไรข้อสำคัญให้เขาทำงานให้ผมก็แล้วกันถ้ามาไปกล่าวท่านทีไรนะท่านจะบอกชาวบ้านด่าผมมีแหละเร็วๆนี้ด่าอะไรที่สร้างโรงพยาบาล ถวายในหลวงสร้างโรงพยาบาลไม่ได่านหรอกแต่สร้างโรงพยาบาลท่านดูนะเมตตาประจากย์รักเล็บหลังใหญ่หญเลยเนะี่ยที่ว่าไรขิงเนะี่ยเคยดูไหมก่อนจุดประทัดคนชอบไปจุดประทัดโรงพยาบาลนะั้นวันลรขิงนะพอสร้างเสร็จอ้าวค่ามีนเทนเน์เตียงอุปกรณ์เอาเงินมนจากไหน ถ้จะตึกไปอย่างเดียวไม่ได้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเมตตาพัชรักชาวบ้านด่าจะคุณสร้างโรงพยาบาลให้เขาแล้วยังจะไปสร้างตั้งมูลนิธิเขาอีกนี่มันเงินวัดนะท่านนะเอาเงินวัดไปทําอย่างนั้นได้ยังไงมิสิทธตอะไรถือเป็นเจ้าวาดเหรอเอาเงินวัดไปตั้งมูลนิธิให้โรงพยาบาลอ่า หลวงพ่อก็โดนหลวงพ่อก็ถามว่าแล้วเงินที่เขาบริจาคให้วัดเนี่ยเขาบริจาคเพื่ออะไรทําบุญอ้าวก็วัดเอาไปทําบุญต่อแล้วมันไม่มันผิดตรงไหนอจริงแฮะแต่ก็ยังว่าท่านอยู่นะท่านสร้างวัดไร่ขิงมาเนี่ยจากเป็นพระมหาปัญญาป ร, ริญหกประโยคจากขณะจังหวัดนะครมาถามส่งไปเป็นเจ้าวาดสร้างมา ไม่มีอะไรเลยวัดเล็กๆตอนนั้นหลวงพ่อวัดเล็กเิงนี่เขา oh. เขารู้ว่าศักดิ์สิทธิ์นะรอยน้ำมาไว้ตรงนั้นจากงานทีสมัยก่อนโอ้คนเต็มวัดแต่ไม่มีไรายได้เลยวัดครึ่งกรรมการครึ่งบอร์ดครึ่งหมด <c oughs> <c oughs> กรรมการ เ, าเรียก บ, บอร์ดที่นั่นก็เรียกกรรมการหมด <c oughs> หายหมด <c oughs> ไม่เหลือเลย ทรงพระมหาปัญญาประโยชน์หกไปเป็นเจ้าอาวาสคุมใหม่บัญชีทำใหม่ให้ถูกหุ้ยคนด่ากันใหญ่เลยพระเด็จการเพราะตอนนี้ระบบฝากเงินอะไรต่างเปลี่ยนหมดเจ้าอาวาสพรเด็จการคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีด่าท่านก็คือกำนันกำนันอิทธิพลว่าใหญ่เลยว่า หลวงพ่อไม่ปรึกษาอย่างวันย่างี้เสร็จแล้วพอจะจัดงานอย่างงานสงการานต์จัดทีเนี่ยได้ประมาณยี่สิบล้านบาทสมัยนี้แต่ก่อนไม่เหลือท่านจะจัดงานสงการานต์ท่านทำยังไงคนแตกกันไม่ได้ต้องพบกานานก็มีกลุ่มใหญ่กรรมการเก่าไปเชิญมาไปเชิญมาเป็นกรรมการร่างจดหมายเชิญเชิญมาเป็นรองประธานกรรมการ แทนที่จะฝากคนไปนะไม่ฝากถือจดหมายเชิญเองเลยเจ้าวาดเนี่ยสมภารเนี่ยบุกขึ้นบ้านกำนันเอาลูกเสือจะเอาลูกเสือต้องเข้าทำเสือโกเล้งว่าไถือจดหมายเชิญเองเลยเจ้าวาดเนี่ยสมภารเนี่ยบุกขึ้นบ้านกำนันเอาลูกเสือจะเอาลูกเสือต้องเข้าทำเสือโกเล้งว่าไวบุก ขึ้นบ้านกำนันกำลังนินทาพระนินทาสมภารอยู่พอดีเหลือมาเห็นคนที่ตัวเองนินทากําลังขึ้นบันไดโดยไม่ได้รับเชิญงอนกนําลังงอนโดดตุ๊บลงหลังเลือนไปเลยต่อหน้าต่ตาฝ่าหายไปเลยเหลือแต่ภรรยากำนันนั่งรับหน้าอยู่ภรรยากำนันก็นถามมาทําไมเจ้าคะกำนันอยู่ไม่ยอมมหากำนัน มีธุระอะไรเจ้าคะคืออย่างนี้วัดเราเนี่ยจะจัดงานนะเขาบอกว่ากำนันนี่ทําให้วัดเจริญมาไม่ขาดท่านกำนันไม่ได้จึงต้องมาเชิญด้วยตนเองเพราะฉะนั้นฝากแล้วก็ชมกำนันทุกคําว่าเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้ให้ภรรยาฟังแล้วนี้นะเชิญมาให้ได้นะกำ น, นันฝากเชิญกำนันให้ได้ภรรยากะรับฝาก แล้วก็เลยลาเพราะลงมาไปกระซิ บ, บ้านข้างๆบ้านกำนันบอกให้ช่วยเป็นสายสืบเป็นสปายให้หน่อยว่ากำนันกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นสายก็มารายงานบอกว่าพอกำนันกลับมานะ่ะภรรยาด่าใหญ่เลยแกนี่มันบ้าหงจริงนะพระเจ้ามาแล้โดดนี้ทิ้งที่ฉันรับหน้าไว้คนเดียวอะไรไม่อะไรนะพระดีดี มีแต่ชมกับทุกคาเลยมีแต่แกเนียด่าท่านอยู่ข้างเดียวไปเป็นรองประธานซะดีๆนะผอทบที่บ้านสั่งได้ในร่วมแล้วเข้าหน้าบ้านไม่ได้เข้าหลังบ้านกำนันโง่โหทะเลาะกับพระองค์ยังไม่พอจะทะเลาะกับภรรยาอีกไม่ไหวแล้วถือจนหมายเชิญไปประชุมที่วัดเป็นนั่งนอกบอกบุญไม่รับ <Hey. S 2> เพื่อนก็แซวกำนันไหนวัลาออกแล้วมาทำไมกำนันบอกกูเป็นปีเดียวปีหน้ากูลาออก <c oughs> <c oughs> ย, ยังไม่หายงอนนะนะเป็นกันทุกที่แหลนะแบบนี้เหมือนกันหมดเล่าเรื่อง น, นูนทั่วๆไป <c oughs> ใจเขาใจเราอย่า <c oughs> ฟังแต่เรื่องเขาี่มันเรื่องเราด้วย <c oughs> แ ต, แต่แต่แล้วก็ลาออกแ้ไม่ฮะแล้วออลาออกจริงพอเสร็จงานปีนั้นลาออกเลยยืนย่นใบลาออกหลวงพ่อก็ไม่สนไม่สนถือจนมาให้ไปเชิญอีกปีที่สองก็เลยต้องมาประชุมพอหมดปีที่สองลาออกอีกขึ้นปีที่สามหลวงพ่อก็ไปเชิญหม่ พอพ้นปีที่สี่บังเอิญกำนันตายเ <c oughs> ชิญได้สามปีโอ้ไม่งั้นไม่รู้จะเชิญ ก, กี่ปี <c oughs> ตายไวไวก่อน <c oughs> แล้วขนาดขนาดมาเป็นกรรมการนะยังไม่ยอมง่ายๆไม่ยอมมาเป็นกรรมการแล้วนี่ยฤทธิเดชเยอะลูกน้องกำนันตัวดีมาวัดเหมือนกันนะแต่ไม่มาร่วงงานเนาะ เขาจัดงานอะไรไม่ไ ม, ไม่มาทานู่นขึ้นบงสลาวัดเล่าวงหนึ่งไพ่วงหนึ่งท้าทายอำนาจสมภารใครก็ไม่กล้าไปห้ามลูกน้องกํานันทีนี้ในกฎหมายพระราชัาคณะสงฆ์เนี่ยในเมืองไทยนยะสำ ร, รับสำรับบ้านเรือนคณะสงฆ์สมัยห้าเนี่ยถือว่าในวัดเนี่ยสมภารหรือเจ้าวาดเป็นเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายจับส่งตำรวจได้เลยใครขัดขืนจะว่าคือขัดขืนเจ้าพนักงานอา้าวทำไงทีเขาก็ไปฟ้องสมภารเลยท่านจะเห็นต่างจังหวัดบางทีจ้าหน้าจังหวัดมาไล่ตีคนที่ไปก่อความวุ่นวายอะไรต่างหลวงพ่อบางครั้งท่านทาเขาก็ไปฟ้องสมภาร น, นู่นท่านก็ขึ้นไปเลยนะตอนนั้นยังหนุ่มๆเป็นมหาปัญญาขึ้นไปบนสลากโห่กําลังเมากันในที่เลยเล่นไพ่กันเสียงดังลั่นหมด ไม่เกรงใจพระเกรงใจเจ้าท่านก็ขึ้นไปแล้วก็บอกว่าโยมขอบิณฑบาตหน่อยเถะนี่บึงสลาวัดอย่ามากินเหล้าอย่ามาเล่นไพ่กันเลยพวกนั้นกำลังเมาในที่ก็มองหน้านี่ใครละนี่ <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> นี่ใครละนี่สมภารอาตามะเป็นสมภาร น, น, นเรียกเองว่าอาตามะอาตามะเป็นสมภารก็ต้องมาห้ามสิ ท่านทูตียังไงมาห้ามพวกผมขึ้นเสียงเลยนะพวกนั้นพวกผมกินเหล้าบนสลาวัดจนสมพานตายไปหลายองค์แล้วไม่เห็นหน้าไหนกล้ามาห้ามอาตมาก็ถามหลวงพ่อหลวงพ่อโดนมันมันไหวางั้นเขาว่างั้นแล้วหลวงพ่อทําไงหลวงพ่อบอกผมก็ถอยสิมันบอกสมพานตายมาหลายองค์แล้วเดี๋ยวเราจะเป็นองค์ต่อไปเขาให้เราห้ามเราก็ห้ามตามหน้าที่ ถอยตั้งหลักก่อนถอยแต่จำหมดเลยนะเป็นใครนะตมาบอกแล้วว่าคนที่สติปัญญาดีเนี่ยทำดีก็จำทำไม่ดีก็จำแต่คนที่มีโรคกรดหลงมากจำแล้วอาฆาตพยาบาทบหลวงพ่อวลดเล็งจำอีกแบบหนึ่งจำหมดเลยใครก่อปัญหาไม่ใช่ไม่รู้มิชี โชทย์เนี่ยแต่จำได้เสร็จ แ, แล้วท่านทํำยังไงวัดไร่ขิงที่ก่อสร้างทุกวันนี้ท่านไปดูนะสร้างในวัดไร่ขิงแต่ก่อนมีที่มาท่านซื้อหมดเลยซื้อแล้วให้ราชาการเนี่ยไปตั้งหน่วยราชาการมีสถาบันที่มีผู้ในการอยู่ ร, บรอบๆเนี่ยนะทั้งโรงเรียนทั้งสถาบันพัฒนาข้าราชการระดับสูงของกระทรวงสาธิการอยู่ในนั้นหมดเลยห้าสำนักงาน ล้อมๆ อ, อยู่ในนั้นท่านสร้างให้หมดสร้างแต่และครั้งเนี่ยท่านใช้คนงานเองท่านสร้างเองไม่ใช่ของราชการอย่างสร้างโรงพยาบาลในท่านราชการสมัยนั้นตีว่าหนึ่งร้อยล้านท่านสร้างหกหกสิบล้านคนงานของท่านหมดท่านฝึกมีฝีมือถามว่าฝึกตั้งแต่ตอนไหนบอกตั้งแต่เป็นสมภานรนั่นแหะพอมาใหม่ๆนะจะสร้างกุฏิสร้างอะไรตัวนี้สร้างหมดยกเว้นอยู่กุฏิสมภารเท่านั้นน่ยยังเก่าอยู่เลยเป็นพิธีพันอยู่ จนเป็นเท่าบาลีเป็นรองสมเด็จท่านก็เลยอยู่กุฏิของท่านน่ไม่สร้างเสร็จแล้วเขาตอนสร้างก็เอาคนในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นแรงงานผสมปูนเท ป, ปูลพวกที่ว่าท่านก็มาด้วยที่ว่ามัลสาเนะ่เพราะให้ค่าแรงสูงเป็นพิเศษด้วยสมัยนั้นท่านจะจ่ายทุกวัน พอตอนเย็นเนี่ยท่านจะจ่ายค่าแรงทุกวันแหละแปลกกว่าที่อื่นมันใช่ถึงเดือนค่อยจ่ายหรือสิบห้าวันจ่ายทุกวันแล้วสูงด้วยท่านจะนั่งคุมวิ ย, ยาวจกรเลยคนงานก็เข้าแถวกันมาคนอื่นให้จ่ายคนละสิบบาทสูงมากทำไมนั่นสิบาทสิบาทพอถึงพวกที่ว่าท่านนะพวกขี้เมาเให้คนละสิบสองบาททาไมได้เยอะคนอื่นเลยท่านคนอื่นได้สิบาททำไมผมได้สิบสองบาท พวกผมนี่ได้ทั้งสิบสองบาทนุ่งพ่อก็บอกว่าก็คนอื่นเนี่ยสิ บ, บาทเขาพอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคุณกินเหล้าไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลยแถมค่าเหล้าให้สองบาทสมัยนั้นกลงละบาทได้สองกงบอกสองบาทนี่เป็นเงินอาตามานะไม่ใช่เงินวัดนะเทสได้มาแถมให้แถมให้พระวัดนี้ดีมีแถมค่าเหล้าชวนกันไปใหญ่เลย <c oughs> เริ่มเริ่มเกิดกูดวิวต่อกันแล้วนะ อมีแถมข่าเล่าด้วยเอใหม่ๆก็เมาไปเทปูนผสมปูนใหม่ตอนหลังชัดไม่มาะและท่านมีจิตวิญญาตอนสร้างโรงเรียนสร้างอะไรก็ตามท่านรู้ว่าท่านรู้ว่าคนงานคนไหนมีลูกชื่อไรอะไรรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กมาเรียนเนี่ยตอนนั้นเรียนสลาวัดแล้วก็ต้องไปสร้างอาคารเรียนตอนที่กําลังสร้างเนี่ยพวก ผู้ใหญ่ก็มาพ่อพ่อทั้งหลายก็มาสร้างท่านก็จะเดินตรวจวัดเจอเด็กเด็กไอ้หนูไปลุกพ่อคว้าแขนเด็กเดินเดินเดินไปที่แถวที่เขากำลังสร้างอาคารเรียนเสร็จแล้วก็พ่อเขาก็สร้างอย่างนั้นกำลงังทุยปูนผสมปูนหลวงพ่อกระถามเด็กดังๆไอ้หนูเขาสร้างอะไรรู้เปล่าโรงเรียนครับหลวงพ่อใครสร้างรู้ไหม มันไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อสร้างมันชี้พ่อผมสิออมันภูมิใจนะพ่อผมสร้างโรงเรียนให้ผมเรียนออพ่อฟังก็ยืดใหญ่สิ <laughs> นี่นะเนี่ยวิธีเอามาเป็นพวกเนียเข้าทางเด็กอีกแล้วนะกำลังนั้งเข้าทางแม่นี่เข้าทางเด็กเข้าทางโรงเรียนพุทธนาวอาทิตย์บ้างอะไรบ้างอ <laughs> pues มันใจเขาใจเราแตแล้วแต่แล้วก็โอ้ในการ ยืดเลยสังเกตวันหลังนี่ไม่เมาไม่เมาไปถามว่าทําไมไม่กินเหล้ากันแล้วนี่เขาก็บอกว่าเมาได้ยังไงท่านเทปูนมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยคืนเมาก็ตุกมาคอหัก <c oughs> <c oughs> อกีกตอนแลรกแล้วอะไรไม่อะไรท่านตอนที่ผมยังไม่มีงานไม่มีเงินนะไปกินเหล้าที่ไหนตั้งวงกินเนี่ยมันก็เฉลี่ยกันออกเฉลี่ยกันเป็นหนี้ เสซนแต่พอเพื่อนผมมันรู้ว่าผมมีงานมีเงินมันล้มทับผมลูกเดียวอ่าอย่างนี้มันเห็นแก่ตัวนี่ผมเลยแยกวงกินคนเดียวพอแยกวงกินกินคนเดียวมันเซงครับหลวงพ่เลยเลิกเลยครับอ <c oughs> ใครจะเอาอย่างมันก็นได้นะ <c oughs> ว่าคนเดียวนี่จะได้สกี่วัน <c oughs> ตอนหลังเนี่ย <c oughs> เป็นพวกกันหมดมีมีเรื่องที่ กระทั่งใจก็คือเด็กทุกคนในหมู่บ้านหลวงพ่อจะส่งเรียนหมดเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนเอครูเรียนอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็ส่งเรียนหมดมีผู้ปกครองคนหนึ่งไม่ถูกกับพ่อเลยไม่ถูกกับหลวงพ่อเลยคือไม่ถูกกันตั้งแต่มาเป็นเจ้าวาดไม่เข้าวัดไม่ถูกกันหลวงพ่อก็ไม่สน เอาเงินมูนิทีเนี่ยส่งลูกของเขาเนี่ยเรียนจนจบปริญญาวันที่รับปริญญาเนี่ยเป็นการพระราชทานปริญญารับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเป็นเรื่องที่โอ้โก้มากสมัยนั้นในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีเด็กได้รับจากในหลวงเลยเขาเป็นคนแรกก็มากราบหลวงพ่อบอกหลวงพ่องานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่มีเกียรติในชีวิตสูงสุดของผมรับจากในหลวงเนี่ย ผมขอเขาให้อาพู้ปกครองไปได้ผมมานิมนต์หลวงพ่อไปในงานรับปริญญาของผมหลวงพ่อบอกเอาไหนแล้วพ่อเองล่ะพ่อไม่ได้เรื่องเข้าข้างหลวงพ่อพ่อหลวงพ่อให้เงินเรียนพ่อไม่ได้เรื่องไม่ถูกกันมาตั้งนานแล้วเขาข้างพระมานานแล้วไม่ได้เรื่องไม่อาไปหรอกหลวงพ่อบอกไม่ได้นะพ่อเองมีพระคุณนะ ต้องเอาพ่อไปเด็กไม่ยอมว่าพ่อเสียหายหลุงพ่อต้องกล่อมเด็กคนนี้อยู่ทั้งคืนเด็ก จ, งจึงจะยอมรถทีถ่ิมานะไปที่บ้านไปขอให้พ่อเนี่ยไปร่วม ง, งานพระราชทานปริญญาบัตรพ่อก็ไปหูพอไปเห็นพระราชพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานปริญญาบัตรหู นึกไม่ถึงไม่เคยสนใจลูกปลื้มใจพอปลื้มใจใช่ไหมก็รู้สึกว่าลูกก็มาดีกับเราด้วยนี่สองอย่างความรู้สึกอันนี้นึกถึงว่าที่มันมีวันนี้ได้เพราะใครเพราะพระกลับมาบ้านไปวัดไปกราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีกว่าจะเอาชนะใจได้สิบปีถูก ต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจท่านถือพาสิตนี้มเมื่อสักหกเดือนที่แล้วจะมาไปกราบท่านท่านก็เล่าให้ฟังอีกบอกแล้วก็ถามขาวคืบหน้าว่าพวกเรานั้นเป็นยังไงที่ทำงานร่วมกันมาว่าหากันอะไรกันเนี่ยครูรักครูแค้นบ้างอะไรดังเราบอกมันรีทายมันกเกษียณหมดแล้ว วันหนึ่งมันป่วยลูกมาขอกู้เงินวัดไปรักษาพ่อพ่อไม่มีค่ายาขอไว้หลวงพ่อก็บอกมาขอทําไมพ่อเองก็มีสตังอ่ะไม่มีหมดแล้วมีมีมหลวงพ่อบอกต้องอยู่ไหนล่ะนี่ไงเข้าไปคลั่เอาสมุดบัญชีธนาคารชื่อพ่อ ของนายคนนั้นบอกนี่รู้รเปล่าตั้งแต่ทำงานกันมาหลายสิบปีเนี่ยแต่ละปีเนี่ยจะเอาเงินหนึ่งเดือนคนน่้ยโบนัสฝากธนาคารให้ทุกปีทุกปีตอนนี้แปดหมืนกว่าบาทล่ะเหลือเป็นเงินเก็บเอ้าแล้วทำไมพวกผมไม่รู้ไม่บอกเจ้าตัวก็ไม่รู้นะทั้ก็เลยเรียนถามหลวงพ่อแล้วทำไมหลวงพ่อไม่บอกทาไมเขาไม่รู้ บอกได้ยังไงพ่อแม่มันใจอ่อนถ้ามีเงินนนะลูกมันก็มาขอเอาไปซื้อรถปิกอัพกันหมดซื้อที่ซื้ออะไรให้ลูกตัวเองป่วยไขย้ไม่มีค่ารักษาท่านรอบคอบเพราะฉะนั้นจึงไม่บอกขอให้บอกตอนนี้มาเบิกให้นี่คือปัจจุบันบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนี เพราะน้ำใจหมดบริวารลดเพราะน้ำใจแห้งท่านนึกถึงยามยากใช้กันมาร่วมสุขร่วมทุกมีทุกรวมทุกมีสุขรวมสุขไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นจึงไม่จึงเรียกว่าในระดับนักจังหวัดนอกกรนะุงเท่ะที่เป็นรองสมเด็จเนี่ยนะยากที่สุดแต่ท่านขึ้นเป็นพระอุบารีขณูปมาจารย์องค์ล่าสุดนี่องค์ก่อนนี้ คือพระาบาลีที่มีมาวัดธรรมารามเมื่อปีที่แล้วนึอกออกไหมที่งานเอสมเด็จเสด็จหอวงพระเฝ้าบาลีมาท่านกลับไปท่านได้เลื่อนเป็นอสมเด็จพระพุทธาจารย์ต่อมากลับไปก็ได้เลื่อนเป็นพระราชวรมุนีอ่าดีเหมือนกันที่มาวัด น, นี้อออืมเพูดทั้งใดแล้วเนี่ย จบมันได้ดื้อเลยนะมันหมดเวลาแล้วนะอีกเรื่อง <c oughs> อันนี้คือเรื่องเรื่องเครื่องที่ว่าถูกต้องกับถูกใจบางคนนี่จะเกณฑ์เหมือนกับที่ที่ที่ท่านเล่าเรื่องเอาเห็นแผ่นดินถมลงไปในเหว คือเกณฑ์ให้ทุกคนถูกใจแล้วหมดเหมือนกันหมดอยู่ร่วมกับความแตกต่างยอมรับความแตกต่างไม่ได้ถูกต้องไม่จำเป็นนะถูกใจต้องมีหลักการปัญหาของคนที่อยู่ร่วมกันก็คือว่าหลายคนอยู่ร่วมกันคือหลักการที่ทุกคนอยอมรับร่วมกันคืออะไรเหมือนกับในประเทศต้องมีรัฐธรรมนูญในการอยู่ร่วมกันกติกาคืออะไรในครอบรครัวคือกติกาที่คนยอมรับร่วมกันบางคนตั้งกติกาของตัวเองที่คนอื่นไม่เห็นด้วย มันก็ไม่ได้ถ้าเป็นกติกาที่อยอมรับร่วมกันอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขและถูกต้องตามกติกานั้นอาจจะไม่ถูกใจทุกคนพระพุทธเจ้าเล่าเป็นนิทานชางดกว่ามีสัตว์อยู่สามประเภทสามสามตัวเขา ค, บ, คบกันเป็นเพื่อนกันหนึ่งช้างสองลิงสามนกกระทา สามตัวนี้เท่ากันหมดไม่มีใครเป็นหัวหน้าครบกันอยู่ไปอยู่มาเอมันไม่มีคนตัดสินไม่มีคนนําไม่มีใครเป็นผู้ตัดเตือนใครเรียกเสมอกันหมดมันไม่ถูกต้องนะมันมีใครฟังใครมันจะจะเถียงกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเราควรจะมาเลือกผู้นําวิธีก็คือว่าเอาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วกัน เป็นพี่เป็นน้องใคร ย, ยุมากกว่าให้คนนั้นเป็นพี่แล้วเราก็จะเรียกพี่ใหญ่คนรองพี่รองน้องเล็กแล้วก็คบกันมันก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนับอายุกันยังไงฮใครจําได้มันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เลยเนี่ยถามช้างความจริงดูดูลูปร่างในช้างน่าจะต้องตัวใหญ่ต้องเป็นหัวหน้าลิงอเงี้เกาะหลังช้างเลยนกตัวเล็กเพราะฉะนั้นช้างน่าจะเป็นหัวหน้า พรกเอประเพณีของเราเนี่เอาโซนแบบตะ ว, วันออกอเพราะฉะนั้นเอาอายุกันลวกันนับอายุกันก็เอางี้ต้นใสต้นนี้เนี่ยเราก็เห็นด้วยกันทุกคนถามว่าตอนที่เกิดมาครั้งแรกเนี่ยแต่ละคนแต่ละนั้นเนี่ยต้นใสนี้โตขนาดไหนตอนมันขึ้นใหญ่ช้างก็บอกโอ้ ตอนที่เกิดใหม่ๆนะอย่างตัวเล็กๆเนี่ย <c oughs> เดินคล่อมต้นไซนี่ได้เลยยังเอา ง, งวงนี่เก็บใบมันอ่อนมันกินไซยังอยู่ใต้ทองเสียดสีทองลิงบอก <c oughs> ตอน จ, จำความได้นี่นะตัวเล็กๆนี่นั่งอยู่กับพื้นนี่กินยอดอ่อนมันได้นะ <c oughs> <c oughs> ลิงอางอยุมากกว่าช่าง <c oughs> <c oughs> เอ้า้ว นกกระทาน่ะไอ้สองตัวกระถามนกกระทาบอกว่าเอ็งไม่รู้อะไรนะไอ้ต้นไทรแต่ก่อนมันไม่มีหรอกมันมีต้นไทรใหญ่ตรงนู้นเนาะค้าเนี่ยไปกินมเมล็ดมันแล้วมาถ่ายไว้ตรงนี้เนี่ยมันเลยเป็นต้นไทรโอ้สองเสียงเลยโบสถ์ไทยอ๋อเอ็งแกที่สุด <c oughs> เป็นพี่ใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมีหลักการแล้วก็ตกลงมันไม่ทะเกันข้อสําคัญคือหลักการตรงนี้ในตัวเรา ให้สัตว์หกสัตว์เนี่ยปฏิประนองกันต้องมีหลักการมีธรรมะตามาันจะไปทางหูไปทางจมูกงูจเจละเข้นกอะไรอีกือสุนัขบ้านจิงจอกลิงไปคนลทางทสองทางมันต้องมีหลักการมีธรรมะให้ไปได้วยกันหลักการนี้คืออะไรต้องมี ส่วนในสังคมจะต้องมีกติกาคือหลักการคือธรรมะเช่นเดียวกันแม้แต่ว่าต้องตกลงเห็นพ้องด้วยกันและเมื่อถือหลักการแล้วนั้นปฏิบัติตามหลักการนั้นคือถูกต้องไม่จําเป็นต้องถูกใจถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใ จ, ก จ, ป, กใจประเด็นต่อมาก็คือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราได้พูดค้างไว้ ถ้าเราจะรู้ใจคนเนี่ยลองไปนั่งอยู่สถานการณ์ของเขาอัตตานังอุปมังกตวาเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบคนอื่นถ้าเขาเป็นเราเราเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรต่อมาเจอเรื่องเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เกิดความผิดพลาดผิดพลาดในระบบความยุติธรรมถ้าเกิดเราไปเจอสถนานการณ์อย่างนั้นหรือเราไปเจอเองหรื อ, อยางเราไปเจอเองน่จะรู้สึกยังไงคน ติดคุกอยู่สามสิบห้าปีเพราะขโมยของเป็นราคาเพียงห้าดอลลาร์เกิดที่นิวยอร์กห้าดอลลาร์สามสิบกว่าปีติดคุกตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสองหกพ้นจากคุก จะไม่เรียกว่าคุกก็คือในระบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเลิกถูกขังอยู่เนี่ยในหนึ่งปีหนึ่งเก้าหกศูนย์กี่ปีถึงเก้าสองห้าถึงหนึ่งเก้าสองหกถึงหนึ่งเก้าหกศูนย์ติดตั้งแต่อายุสิบหกปีเดินเป็นคล้ายๆกับเป็นคนจรจัดเป็นพวก homeless เดินไปเดินมาไม่มีอะไรทําอยากสู้บุรีชื่อนายสตีวชื่อนายสตีเฟนคนนี้เนี่ย ปกติซูบุหรี่วันละสองสองวันนั้นเงินหมดไม่มีบุหรี่สูบก็ไปที่ร้านข้างทางเข้าผ้าใบคลุมอยู่รู้จักกับเจ้าของนะแต่ถือวิสาสะหรื อ, อยังไงก็ไม่ทราบเกิดเห็นบุหรี่ขึ้นมาคว้ามาหนึ่งซองเอ่อแล้วก็ช็อกโกแลตอีกสามกล่องไปเงินรวมแล้วก็ของอื่นอีกนิดหน่อยรวมเงินได้ประมาณห้าดอลลาร์สมัยนั้นลุกขึ้นถูกตำรวจจับ ทั้งทนายก็บอกให้สารภาพซะขึ้นศาลสารก็ตัดสิน เ, เขาเรียกว่าจำคุกแต่ว่า s u s p e ป d e d ไม่ไม่ไม่ลงโทษคือเลื่อนเป็นออนออนโรบช่นคือภาคทันรอลงอาญาหนึ่งปีถ้าในหนึ่งปีนี่ทำผิดก็ติดคุกสิบปีเลยหนึ่งปีนี่รอลงอาญาต้องมารายงาน ที่เจ้าหน้าที่ทุกเดือนแกหายไปเลยลุ่งขึ้นปีต่อมาเขาก็ไปจับแกพอไปจับมาเขาก็สอบสวนแล้วยังไงพูดมันเคยรู้เรื่องวางประพฤติไม่ดีเอาไปอยู่ในสถานกักกันแบบสถานรอพินิจไปอยู่ที่นั่นเกิดความผิดพลาดในระบบสถิติ เขากรอกผิดยังไงเขาก็ไม่ทราบให้เป็นนักโทษแล้วเป็นนักโทษที่มีปัญหาคือปัญญาอ่อนต้องส่งโรงพยาบาลในฐานะเป็นนักโทษไม่ใช่รักษ า, าเดี๋ยวเป็นนักโทษด้วยไปอยู่โรงพยาบาลก็ทําผิดครั้งแรกของเราเพิ่มโทษขึ้นเลยติดเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้ไม่ไหวแล้วส่งโรงพยาบาลโรคจิตสําหรับนักโทษเลยทีนี้ ทรงไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี1936จนคนลืมปี1960ญาติญาตินึกได้อยู่ในคุกนี่ไปอยู่โรงพยาบาล น, นี่ก็ทำเรื่องให้ออกมาพอพ้นออกมาเนี่ยมีสมบัติเหลืออยู่ที่ไปเบิกจากรัฐได้สองเซนมีเงินอยู่สองเซน ยัดย่ายก็บอกฟ้องเลยฟ้องรัฐบาลฟ้องรัฐนิวยอร์กค่าเสียหายขึ้นศาลศาลตัดสินว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องนี่มันเสียหายทางจิตใจจ่ายไปเงินก็ยังไม่คุ้มศาลให้รัฐนิวยอร์กจ่ายชดเชยช ด, ชยชดใช้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญได้เงินชดเชยมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญพอจ่ายไปเรียบร้อยต่อมาผู้ซื้อข่า ว, าวก็ไปสืบว่าแกอยู่ที่ไหนในสเฟนเนี่ย ปรากฏไปเป็นพานโรงอยู่แล้วก็ถามว่าได้เงินหรือเปล่าบอกเงินอะไรไม่เคยได้ยินเลยญาติเอาไปเรียบเลยติดคุกฟรีถามว่าคนที่ตกในถานะอย่างนั้นรู้สึกยังไง Does life อย่างนั้นเลยกรุณาความสงสาร เกิจาการเอาความรู้สึกของเราเข้าไปรับรู้ความสึกที่ทุกข์ที่เจ็บปวดของคนอื่นใจเขาใจเราซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไดง้ง่ายเพียงแต่ว่าให้รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นบ้างเท่า น, นั้นไม่ใช่คิดแต่เรื่องของเราสัตว์หกตัวไปคนละทางทสองทางไม่เคยใส่ใจคนอื่นเลย และวิธีที่จะให้เกิดความรู้สึกเอาใจเขาใส่ใจเราและควบคุมสัตว์ทั้งหลายนั้นเคล็ดก็คือเอาเชือกผูกเชือกผูกเข้าด้วยกันและให้มันมาอยู่รวมกันและทำงานประสานกันอาตมาได้พูดถึงนายบิลเกตส์ตอนต้นที่ว่าเป็นมนุษย์มหัศจรรย์สมัยนี้ ส่าด้พูดถึงการคิดที่มองความจริงอยู่กับปัจจุบันโดยเอาสัตว์ทั้งหกเนี่ยมาทำหน้าที่ต่างๆหูทำงานแต่ให้มันประสานงานกันคนที่สามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยเขาจะมีสมาธิสูงตาที่มอง กับหูที่ฟังมันจะประสานกันข้อมูลที่ตาดูหูฟังมันจะประสานส่งกันไม่ใช่ไปคนละทางเพราะฉะนั้นระบบคิดข้างในบิวเกตส์ที่แกผสมสั้นเ็จเพราะระบบคิดเนี่ยที่รํำรวยเป็นมหาเศรษฐีแกสามารถทำงานหลายอย่างได้ในขณะเดียวกันขยันมากในเวลาเดียวกันในที่ทำงานทั้งแกจะมีคอมพิวเตอร์อยู่สองเครื่อง เปิดพร้อมๆกันเครื่องหนึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตสัางงานค้นข้อมูลเครื่องหนึ่งเป็นอีเมลติดต่อภาษางานกับเครือข่ายอะไรทั้งหมดและตาหูทุกอย่างนี่ถ้าทำเครื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะพวงเรื่องนั้นมันไปกันทั้งระบบคนเราที่ไม่มีสมาธิเพราะ ตามันอยู่ที่นี่หูมันไปนู่นไปคนละทางสองทานสมาธิคือรวมสัตว์ทั้งหกกันเข้าไปอยู่ทำงานด้วยกันและลิงก็ลดความเป็นลิงลงคือจิตของเราสมาธิตรงนั้นภาษาพระเรียกว่าให้ทำกายคตาสติสติรวมอยู่ที่ปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้กำลังทำอะไรกายคตาสติคือหลัก เทตมาเคยยกตัวอย่างถ้าเราจะสนใจเรื่องมือขึ้นลงทุกประสาทสัมผัสทุกการรับรู้อยู่ที่นี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมพลังอยู่ที่นี่หมดคิดไปในทิศทางเดียวกันเทตมาบอกว่าในบิลเกตมีวิธีคิดอย่างไรเนี่ยมันก็กลายเป็นบุคลิก ภาพของคอมพิวเตอร์ที่ว่าวินโดว์วินโดว์9 5นั่นคือในจอคอมพิวเตอร์เดียวนั้นมันมีวินดวซ้อนกันที่ทำหน้าที่ค้นได้หลายเรื่องในขณะเดียวกันเราอยากจะค้นเรื่องนี้มันก็อยู่ในจอค้นเรื่องนี้มันก็อยู่ในจอค้นเรื่องนี้มันอยู่ในจอก็หมายว่าคนคนเดียวนั้นทำงานได้หลายอย่างในเรื่องนั้น เพียงแต่ว่าเมื่อคุณทำงานเรื่องไหนเรื่องนั้นต้องแอคทีฟต้องเอามาไว้หน้าสุดเรื่องอื่นเก็บไว้ไม่อยากทำเอาไว้ข้างหลังอันอันที่อื่นที่ซ้อนๆกันมันจะอยู่ข้างหน้านั่นคือวิธีคิดของเขาเองวิธีคิดของนายบิลเกตเองที่เขาเรียกว่ามันมัลติทัสกิ้งทำภารกิจหลายๆอย่างได้แต่ไม่ใช่ทำ ทุกอย่างแอ็กตีพร้อมกันหมดประสาทกลิ่นอันไหนที่เราไม่ต้องการให้แต่จำเป็นเก็บไว้ก่อนข้างหลังซ้อนๆๆกันอันไหนด่วนเอามาทำก่อนไปดูคอมพิวเตอร์มันจะไฮไลท์ขึ้นมาก่อนอันหลังมันจะซ่อนไว้นั่นคือระบบความคิดวิธีทำงานของนายบิลเกตเองและขยายมาเป็นชีวิตของมอชีนนั่นคือการรวม ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เกิดทำหน้าที่หลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันด้วยสติกายะคตาสติสติที่อยู่กับกายปัจจุบันที่นี่เดียวนี้ปัจจุบันถามว่าสติคืออะไรมีคนไปถามหลวงพ่อที่ญี่ปุ่นท่านยกนิ้ว ไม่พูดเลยคนก็กราบเข้าใจแล้วสติคืออะไรเข้าใจัหยที่นี่เดี๋ยวนี้นิ้วเดียวหนึ่งสมาธิสติอยู่กับปัจจุบันฉะนั้น เมื่อได้รวมลงกันเป็นหนึ่งที่นี่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้ความคิดของเราที่กระจะกระจายรวมเป็นพลังไปสู่เป้าหมายเดียวกันที่เราเรียกว่าสติระดมไปอยู่ตรงนั้นใจของทุกคนสามารถจะทำตรงนี้ได้ ให้อยู่กับปัจจุบันขณะ น, นี้เรื่องอะไรก็ตามที่ท่านกำลังทำนั้นให้ทำอย่างมีสติเต็มที่สมบูรณ์และสติตัวนี้นอกจากจะทำให้เราเก่งแล้วยังให้เราทุกน้อยลงทุกวันนี้นเนี่ยนะเวลาใจของเรามันไปมันไม่กลับท่านสังเกตไหมบางคนนี่ใจเนี่ย ไปแล้วมันไปสิงอยู่ตามที่ต่างๆที่เรียกว่าตัวกูของกูตัวฉันของฉันถ้ามันมีแก้วอยู่ใบแจกันสวยๆตามันดูบ่อยๆชอบใจเพราะตาใยนี่มันมีวิญญาณไม่มีจิตใจใจเราเหมือนไปสิงอยู่ในนั้นในแจกัดถ้าเจกันแตกเหมือนใจเราแตกสลายไปด้วย ทีนี้ที่คนไม่บรรลุเนี่ยเพราะเราเอาใจของเราไปเท่าฝากสิงสถิตยอยู่ในสิ่งต่างๆมันไม่ยอมกลับมาด้วยที่ว่าสติเรียกกลับมาไม่ได้มันก็จะไปอยู่ในที่ต่างๆแล้วเวลาทางานมันก็ไม่ทามันก็จะลอยไปที่ต่างๆใจมันลอยมองก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินล่องลอยไปทั่ว เพราะมันไปติดไปยึดไปสิงอยู่ที่ต่างๆไม่ทำหน้าที่ไม่สามารถจะทำทาสคืนหน้าที่ปัจจุบันที่เราจะแอ็กตีฟขึ้นมาในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยของจิตเพราะฉะนั้นทำยังไงมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมเีเป็นเตานะเตาที่ทำด้วยดินเผา สมัยก่อนเผาเตานี้มันเา่าแก่ไม่รู้ใครมาไว้ที่วัดคนมาปิดทองปิดทองเสร็จกราบ้วยนะเส้นไห้เต่าเขาบอกว่าจะเจริญนะถ้าได้กราบได้ไหวเทพพระเจ้าเทวดาที่สิงอยู่ในเต่าสิงอยู่ในนั้นแล้วก็มีวันหนึ่งเนะีย เจ้าว่าท่านก็นมาดูทุกวันนี้คนทำอะไรไปแปลกๆมาถึงก็มาปิดที่เตาบอกมีเทวดาสิงวันหนึ่งก็มีสมภารต่างวัดมาเยี่ยมลุงพ่อท่านก็นบอกนี่ น, นี่เตานี่พิเศษนะมีเทวดาสิงแต่ว่าเตานี่ไม่ใช่เทวดาเทวดาก็เทวดาเตาก็ส่วนเตา ว่าแล้วท่านก็ยกเตาทุบเพียงลงไปแตกพระที่มางงในเรื่องก็บอกว่ารู้หรือเปล่าตอนนี้เทวดาไปเกิดไปอยู่สวรรค์แล้วเพราะเทวดาเข้าใจผิดคิดว่าเตานี่เป็นวิหารผมนี่สงเคราะห์เทวดา ให้ไปดีมีสุขไปนึกว่าเตานี่เป็นวิมานมันหรือเป็นตัวเองมันก็ติดอยู่กับเตาแค่นี้เป็นเทพพระเจ้าประจำเตาไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ขึ้นวิมานสงเคราะห์ะทุบทิ้งคนที่ฟังนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมยึดแม้กระทั่งว่าตัวเราก็คือเราคือจิต สิ่งต่างๆก็คือของเรามันแตกมันสลายทุกทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเรื่องบางเรื่องที่ทําให้เราทุกมากจนเป็นประสาทอะไรต่างๆเพราะเหมือนกับว่าเราคือเทป ที่ไปสิงอยู่ในเตาเราไม่ใช่เตาดึงสัตว์ทั้งหกนั้นกลับมาและทำหน้าที่ของมันอย่างดีปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ <c oughs> บรรลุแล้วจบ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ให้ธรรมะเด้า <c oughs> ทั้งหลาย เ, าเป็นการ เรียกว่า เ, าเป็นธรรมานุสรณ์เป็นที่ระลึกในทางธรรมภาษาพระเ็าเรียกว่าธรรมปฏิสันฐานต้อนรับด้วยธรรมะซึ่งท่านมาก็อาขอมอบธรรมะเป็นที่ระลึกแน่ท่านทั้งหลายในโอกาสที่มามาทำ ร, ร, รามครั้งนี้ ทั้งนี้ก็โดยความมีเมตีจิตของพระบิราคุณท่านเจ้าคุณพระศรีเรรวงและพระเทรานุเถระที่วัดนี้อย่างที่จะมาพูดวันนี้เทศวันนี้ได้เนี่ยเบื้องหลังการทำธรรมมากมายนะมีทีมงานช่วยหาหนังสือให้เป็นอย่างน้อยก็ก็คือทางพระคณะสงฆ์วัธรรมราทั้งหมดทุกท่าน เ, าเพราะฉะนั้นจ้ถือว่าเป็น ของขวัญที่รึกจากอาตมาและคณะสงฆ์ด้วยในท้ายที่สุดนี้เขาขอขอ้างคุณภรศรีรัตนตรยัยคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและอานุภาพของหลวงพ่อพระพุทธชินธรรมโอภาสจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งในทางโลกและในทางธรรมราจจากทุกโศกโรคภัยอุปทานรายทั้งปวงมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญก้าวหน้าปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบในธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนตลอดกาลและนานเทนิน